ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาสีปทุมกัมมังนำเสนอสัมมาทิฏฐิสูตรในตอนที่ว่าด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดที่ว่าด้วยอายตนะปภะ อรยตนปปัตสนั้นก็คือการสัมผัสอารมณ์โลกในชีวิตประจำวันของคนเรานั่นเองตามปกติแล้วกุศลอาจจะเกิดขึ้นหรืออกุศลเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความรู้สึกเฉยๆแต่วันในที่นี้ทรงสอนให้มองในแนวของอกุศลระดับสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ผูกใจสัตว์เอาไว้ ลักษณะเป็นตะกรนใจคือนอนอยู่ข้างล่างตามปกติแล้วถ้าไม่มีแรงกระแทกก็ไม่ฟุ้งขึ้นแต่ในแง่ขององค์ธรรมคือเวลาฟุ้งขึ้นจริงๆเนี่ยท่านเรียกว่า น, นิ้บอทเพราะแต่เราพูดมาแล้วเป็นสังโยชน่าข้อด้วยกันที่พระโสดาบันพระสกัดาคามีพระนาคามีทะณได้ สอดาบานันนดาได้สามคือสักกยทิฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนหรือเป็นตัวเป็นตนตหรือมีตัวมีตนแล้วก็วิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องใหญ่ใหญ่แปดเรื่องคือเรื่องพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงฆ์แล้วก็เรื่องของไตรศิกขา เรื่องอดีตรเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจัยาการคนนี้น่าสังเกตว่าแล้วคนในาศาสนาอื่นล่ะเกเดใจว่ า, าศาสนาอื่นนั้นเขก็คงสงสัยในโดยเฉพาะอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปฏจิจจสมองบาทแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเขา ถือว่ามีอัตตาตัวตนที่ถาวรยังยืนคือเขายึดติดในอัตตาในขณะที่เราถือว่าอัตตาเนะี่ยมีปัญหาแต่เขาถือว่าอัตตาใหญ่เนี่ยเป็นเป้าหมายของการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมในศาสน า, าของเขาซึ่งก็เป็นความสมัครใจอย่างนั้น โดยเจนว่าพื้นฐานการปฏิบัติพัฒนาจิตไปในระดับชี่เป็นอัตตาถาวรยั่งยืนตามความเชื่อถือเนี่ยอาจจะอาจจะได้บรรลุถึงอรูปฌานก็ได้ซึ่งตามปกติแล้วอายุมันยืนมากโอกาสที่จะเข้าใจว่านี้คือสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่าย แต่ที่เคยยกตัวอย่างไว้แล้วทีนี้พระสักก า, าขามีเนี่ยแปลว่าผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวหมวายความว่าเกิดอีกชาติเดียวแปลว่าจะเกิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทวดานะท่านทำราคาโทสะบวหะให้เบาลงถามว่าเบาลงขนาดไหนล่ะ ก็เท่าที่พบนั้นยังไม่เจอว่าพระอนาคามีมีครอบครัวเออพระสัง ก, กัตคามีมีครอบครัวก็แสดงว่าราคามันเบาลงจนถึงไม่มีความต้องการเรื่องเรื่องทางเพศนะพระนาคามีเองก็ละเพิ่มขึ้นสองข้อ คือการมาราคะความกำหนัดในสิ่งที่ใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่แล้วก็ปฏิฆะความหมงุดหงิดความรำคาญความไม่พอใจความไม่ชอบใจห้าขอ้อนี้ท่านเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำก็หมายความว่าแต่ละท่านที่ละได้นีย่ยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอย่างน้อยก็เดชาติ อย่างพระนาคามีเนี่ยจะบังเกิดเป็นพรมในชั้นสุทธาวาสได้จะบรรลุมรรคผลเป็นพระหันในสุทธาวาสนาคามีจึงแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วก็นิพพานที่นั้นเลยแต่จากหลักฐานในพระบาลีโดยเฉพาะระดับประสูตรเนี่ยเราจะพบบ่อยว่า พระอนาคามีลงมาในโอกาสต่างๆโดยเฉพาะยิง่งคือลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเช่นในคราวมหาสมัยยสุรคือการประชุมใหญ่ของภิกษุที่เป็นพระหันห้าร้อยรูปซึ่งอยู่ในวันวนักริยัล้วนคือเป็นพระเจากุ ม, มารในราชวงศ์กยะและกริยะอย่างละ250อยห้าสิบ ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหันที่ป่าหมาวันในเมืองก บ, บิลพัทพระพุทธเจ้าก็อยู่ท่ามกลางพระอรหันต์ที่เป็นกษัตริยาร้อยรูปซึ่งถือว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่คือจำนวนคนอาจจะน้อยกว่าในคราว โอวาตปติโมกซึ่งนั่นก็พันสองห้าสิบแต่ว่าในโอวาตปาติโมกนั้นที่เป็นพระหันพระหันที่เป็นกษัตริย์เนี่ยก็มีเฉพาะพระพุทธเจา้าแล้นั้นก็เป็นวันหนพราหมณ์กับวันณนแพทยแต่นี้เป็นวันหนกษัตริย์ล้นล้ว น, ลวนแล้วก็เป็นสุริยวงศ์งถือว่าเป็นวันหน้ที่ประเสริฐสูงสุดในมูกษัตริย์ทั้งหลาย ก็เป็นการประชุมครั้งแรกคราวนั้นครั้งเดียวนะคือครั้งนั้นคราวนั้นก็มีมหาพรหมมาจากสุทาวาสแม้แต่คราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จประนิพาน์ก็มีพรหมมาแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ามาจากพรหมโลกชั้นไหนภาษาโมดีพรหมนั้นก็เป็นเป็นรูปประภูมินะฮะเป็น เป็นรูปประภูมิเป็นพรหมทั่วทวไปไม่ใช่พรหมระดับพระอนาคามีทีนี้สังโยชน์ข้อที่ห้าข้อที่หกเนี่ยมันก็เหมือนกันคือทรงสอนให้ดูว่าเวลาเรากระทบอารมณ์ทางประสาสัมผัสข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยให้ดูว่ามีสังโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นในที่นี้ก็รูปประาคาัา แปลว่าความกำหนัดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมตามปกติถ้าก็อยู่ในที่อื่นนะฮะเกเรียงเดียวมาก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุการมทั้งหลายแต่ว่าเมื่อเรียงมาอย่างนี้ตัวรูปธรรมตรงเนี้ยหมายถึงรูปฌานก็ทำนองเดียวกับท่านอาราบาบทกลามโคตอุทะกดาบ ท, าาาาบทรามาบุตร แต่ท่านเหล่านี้ที่จริงเลยไปถึงรูปปัจจานแพวกพรมทั้งหลายเนี่ยก็ยึดติดอยู่ในเนี่ยโดยโดยกําลังของรูปปัจจานเนี่ยอย่างยกตัวอย่างพระกาพรมที่เข้าใจว่าชีวิตเป็นของเที่ยงแท้อย่างยืนไม่แปรผลันท่านก็เป็นพรมในพวกเป็นภูมิของรูปปัจจานสี่มันไม่ใช่เป็นระดับพระอนาคามี เพราะระดับพระราคามีนั้นท่านลาสกยาทิฏฐิได้แล้วท่านไม่คิดอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้ที่จริงก็เป็นกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะแต่มันมันประนีตมันติดในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยกำลังของชาิก็พอใจติดใจนะฮะอยู่ในสุขเวทนาเหล่านั้น แต่ก็คงไม่ระดับพระนาคามีคงไม่มองว่าเที่ยงแท้ยั่งยืนนะเพราะว่าเที่ยงแท้ยังยืนมันก็กลายเป็นเรื่องของสักยะทิฏฐิไปทีนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดด้วยกําลังของฌานเป็นหลักการปฏิบัติระดับศีลสมาธินะฮะจนถึงกระรูปฌานก็ไม่ใช่ธรรมดาทีเดียว จะลืมพวกนี้เป็นวัตตะนะยังหมุมนวนเพราะถ้าติดอยู่มันก็อย่างเนี้ยอย่างพระอนาคามีเนี่ยสุทธาวาสก็เป็นรูปเป็นรูปประพรมนะครับทีนี้ที่ยังไม่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยประการใดกยรู้โดยประการนั้นก็อย่างที่บอกว่าตามปกติมันก็ไม่เกิดหรอก มันเกิดขึ้นโดยกําลังของฌานในกรณีที่เรียงอย่างนี้นะมีข้อแมว้วในกรณีที่เรียงอย่างนี้ทีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะละได้โดยวิธีใดก็เพิ่มปัญญาเข้าไปพิจารณาตามกฎของปัจัยลักณ์มันก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จริ ง, รงๆก็ไม่เที่ยงแท้อย่างยืนอะไร แล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ไปทำลายโอ้ไม่รู้นะฮะคือตัววิชานี่ออกไปในส่วนอรูปประคะคือพอใจติดใจในตัวที่เป็นเป็นนามธรรมเป็นลักษณะของสุขเวทนาเช่นเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีรูปนะ ท่านเหล่านี้ก็มีแค่ขันสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรียกว่าจะตัวโวกานคือมีขันสี่มันก็ข้องติดอยู่ในภพแต่บัร น, นานคือถ้าในแง่ของโลกิยะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในแง่ที่เราต้องการหลุดพ้นจากสังสารทุกข์อย่างถาวรพวกนี้กลายเป็นปัญหากลายเป็นอุปสรรค มันเกิดขึ้นอย่างอัศาธะาความพอใจความติดใจแล้วก็เข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดวันนี้คือที่สุดแห่งทุกแล้วยานทันนาราระบทเข้าใจว่าอากินจัญญายาตนะฌานซึ่งเป็นอรูปฌานเนี่ยมันเป็นที่สุดละในขณะที่อุตะกาดดาบดรามบรก็เข้าใจว่าในวสัญญาหนาสัญญาหนาสัญญายตนะนั้นก็เป็นที่สุดละ ท่านก็ติดดยู่ที่นั่นแม้แต่พระโพธิสัตว์จะท้วงติงจะต้องข้อสังเกตท่านก็ไม่ยอมเชื่อท่านก็มั่นใจของท่านอย่างนั้นเพราะคนเราเมื่อไปถึงที่ใดที่เมื่อต้องการไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเข้าใจเาตัวเองถึงแล้วนะก็ไม่เดินต่อหรอก นอกจากว่ามันเกิดคนที่รู้จริงมาบอกตรงนี้ยังไม่ถึงแล้วก็จะเดินต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าดูตัวอย่างชัดเจนนะฮะทานอาลานบุการามาโคตุตกะดาบทรามบุตรเนี่ยแต่คนที่บอกเป็นลูกศิษฐ์ท่านไม่เชื่อพระโพธิสัตว์บอกเนี่ยท่านไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไม่เชื่อพระโพธิสัตว์ก็หลีเข้าไปก็ไปสแสวงหางทางใหม่จนได้จัดสรู้ยันที่ทราบกัน เราจะเห็นว่าการสัตรูเนี่ยเ ป, เป็นการสรัรูก็ที่จริงก็ทุบทวนหมดนะฮะทบทวนหมดเล ย, นะเลยก็มาสัรูระหว่างฌานคือระหว่างยตุถฌานกับไออรูปฌานที่หนึ่งเกือกาวสารนันจาัตนาฌานเราก็ยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็าสัสรู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 มานาเป็นกิเลสที่ละเอียดฮตอนนี้ที่จริงมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นมีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่คงไม่ได้ติดใจว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะฮะเพราะท่านเข้าใจว่าอความเป็นจริงๆเนะ่ยมันไม่มีแต่ตัวมานะจริงๆเราเจนว่าคนเนี่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุหลายๆเรื่อง อาจจะเกิดขึ้นโดยทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นโดยสกุลรูปร่างความรู้สถานะทางสังคมฐานะชั้นยศดตำแหน่งมันเกิดมาหน้าได้ทั้งนั้นเพราะา น, านั้นมาน้เนี่ยมันมันจริงมีหลักใหญ่อยู่สามมาหน้าด้กันหนึ่งเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาแต่ไอการเลิศกว่าเขานี่ต้องจุดใดจุดหนึ่งมันไม่ใช่เลิศหมด คืออย่างพระพุทธเจ้าที่เรากล่าวว่าเลิศเนี่ยคือเลิศในสามเรื่องเลิศในด้านปัญญาที่รู้เห็นในอริยสัจทั้งสีประการเลิศด้วยความบริสุทธิ์คือภายในพระไทยไม่มีอาสวะกิเลสเพียงสมองพระไทยเลิศด้วยการุณาที่เสมอกันในหมู่สปปรรพสัตว ถ้ารมเทศนาเป็นอันมากที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แต่ไม่ทรงแสดงพระทรงใหเหตผลว่าเพราะสงสารสัตว์คือมาความสงสารคนที่ไม่เชื่อแล้วพอเห็นพระองค์แสดงก็ห า, ว, าวงเล่นกลได้หาวาหลอกลวงได้นะเช่นสมมติว่าความมีอยู่ของนรกของเปรตของอสุรกายของสวรรค์ของพรหมโลกต่างๆ พระเจ้าจะไม่แสดงแก่คนูทั่วไปเพราะว่าคนทั่วไปนี่คนกลุ่มหนึ่งที่มามีความคิดเป็นศัตรูต่อพระพุทธเจ้านี่จะเอาไปพธน า, นาด่าว่ากกหกหลอกลวงอะไรตะะ่ะกูไปกันใหญ่เลยเป็นอายุประวัตบาปกรรมกษัตรย์ตอนนั้นตัวอย่างว่าพระกรุณาจึงไม่ได้ว่าเจ้ากรุณาที่พุทธศาสนิกชนไม่ใช่ เป็นกุณาต่อสรรพชีวิตทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ด้วยนะะต่อสัรพชีวิตทั้งหลายโดยมีความชัดเจนในตัวพระธรรมเทศนาในที่สุดในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ถือว่าพระองค์เหนือกว่าคนอื่นทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครเสมอในสามเรื่องสามเรื่องนี้เป็นเรื่องแน่นอนว่าไม่มีใครเสมอ ต่เรื่องอื่นนะเช่นสมมติว่ามักน้อยสันโดดชอบสง่ดเนี่ยคือบางทีคนอื่นเก่งกว่าพระเจ้ารับสั่งว่ายกตัวอย่างว่าฉันอาหารมากฉันอาหารน้อยเนี่ยรับสั่งว่าคือถ้าจะนับถือในแง่ว่าพระองค์มีพระอาหารน้อยเนี่ยพระกิอาหารน้อยเนี่ยพระที่มีอาหารน้อยกว่าก็าจะไม่นับถือเพราะพระองค์บางทีนี่ฉันหมดบาทก็มีฉันครึ่งบาทก็มี แต่บาดไม่ใหญ่นะฮะแต่ก็สรุปว่าภิกษุบางรูปในฉันอาหารวรคมนะเป็นการปฏิบัติในแนวที่อุกฤ ษ, กฤษจริงอดอาหารถึงเจ็ดวันสิบห้าวันกันเลยคือพระเจ้าพระสัจสรุแล้วเนี่ยไม่เคยไปทำอย่างนั้นแต่ตอนทรมานพระรกายเนี่ยก็เคยทำนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำ พระที่ท่านอยู่ในขั้นฝึกปือทรมานตัวเองเนี่ยท่านยังทำอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปรเด็นนี้ก็แสดงว่าภิกษุประเภทนี้ก็จะไม่นับถือพระองค์มันไม่ใช่ตรงนั้นคือถ้าเรื่องสันโดษในปัจจัยกี่แล้วก็มีลูกศิษย์ที่สันโดษมากกว่าพระองค์แต่ถ้าปัญญาบริสุทธิ์กรุณาแล้วก็ไม่มีใครทัดเทียมเพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่สามอย่างไม่ใช่เอาทุกอย่างนะบางทีเราก็พูดอะไรเกิดเกินไป เดี๋ถ้าไม่คนบางคนเขาก็ไม่พอใจนะศาสนาศาสนกในหลายศาสนาที่เขาฟังแล้วก็ไม่พอใจแตลว่าในตรงนี้เราก็พิสูจน์ได้นะเพาศาสนาทั้งหลายนี่ไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าพิสูจน์กันในแง่มุมของประวัติศาสตร์เอาคำสอนมาดูกันก็ได้อะไรมาดูกันก็ได้แต่ว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเทียบเคียงอะไร ก็าตามปกติแนวการสอนศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยคือเราจะไม่ไม่ไม่ใช้วิธียกศาสนาหนึ่งไปคมศาสนาหนึ่งแต่ว่าประเด็นเดียวกันเนี่ยมาเรียงให้ดูแล้วคิดตัวเองอธิบายว่าตรงเนี้ยพูดว่าอย่างนี้อิสลามว่าอย่างนี้คิดว่าอย่างนี้ซึกว่าอย่างนี้หินดูว่าอย่างนี้ประเด็นเดียวกันคุณคิดตัวเอง ว่าของใครที่น่าสรัทาน่าเริ่อมใสามากกว่าก็เป็นเรื่องของคุณไม่เกี่ยวคือเราไม่เปรียบเทียบไปดูแม่ไปอธิบายในแนวของการยกตนข่มคนอื่นแต่ลักษณะเข้ามานะเนี่ยที่จริงถ้าเรียงอย่างนี้เนี่ยคงไม่มีรุนแรงอะไรเท่าไหรหรอกแต่อย่าลืมว่ามานะบางทีเนี่ยเขาเรียกอธิบานะคือมันหลงผิดเข้าใจผิดได้ ก็เจตัวเองได้บรรลุแล้วก็เจอตัวเองเป็นพระหันแล้วเดี๋ยวท่านเคยเล่าฟังนะครับว่าบางทีนี่ท่านเขาใจผิดอยู่ตั้งเป็นสิบสิบปีเลยตรงนี้เป็นอาชีพอาณะนะคือไม่ป ร, ปราปอบัตเพราะสําคัญผิดแต่ท่านไปบอกใครเข้าก็ไม่ถือว่าเป็นอบาบะเราเลิศกว่าเขาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะไป ยิงถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาในเรื่องนั้นคือคนอื่นเขายกย่องเราน่ะได้แต่ว่าเราไม่ควรจะไปคิดเองไม่ควรจะพูดเองว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาในเรื่องงนั้นเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งเนี่ยพระพุทธเจ้ารับสั่งถึงพุทธภาวะหมายความสถานะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในโลกเนี่ย ไว้เจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคต app, เนี่ยมันจะเหมือนกันในลักษณะอย่างนี้มันเป็นการกล่าวรายงานความจริงว่าความจริงมันเป็นยังไงก็บอกบอกตามนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเลิศ ก, กว่าทุกอย่างนะบางทีเราเลิศ ก, กว่าเขาคิดว่าเราเสมอเขาหรือเราเร็ว ก, กว่าเขาอันนี้ชุดหนึ่งคือสามอย่างทีนี้บางทีที่เราเสมอเขาแต่คิดว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาเราเสมอเขาหรือเราเร็ว ก, กว่าเขา หรือบางทีเราก็เร็วกว่าเขาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคงไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกก็ไปคิดว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วกว่าเขามันก่อให้เกิดอาการกระด้างจิตมันกระด้างเปียโนยกตัวอย่างให้ฟังหลายวันแล้วที่ว่าตอนต้นเดือนพฤศจิกาที่มีการประรบถึง เรนตีท่านหนึ่งก็คงจะเล่าเรื่องโบราณนะที่พูดถึงว่าปัญญาสมัยโบราณเนี่ยก็กราบเท้าสามีก่อนนอนโอออกมาต่อทานกระดุตกดตเลยคือถ้าเราดูจิตเรานะฮะดูจิตเราให้เห็นคือการปฏิวัติธรรมะการสาทธาธรรมะการทำอะไรก็ตามให้ทานรักษาศีลบำเ พ, พ็ญภาวนาไว้พระสวดมนต์นี่ดูที่จิตตัวเองอย่าไปยุ่งคนอื่นได้มากเมื่อจิตเราอ่อนดูไหม การที่เรายกมือไหว้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรามีความรู้สึกดีต่อคนนั้นไหมทีนี้คนที่เราไหว้เนี่ยเขารู้สึกดีต่อเราไหมมันเป็นการสร้างกิริยาในทางที่ดีมันปฏิญาตาตอบสนองในทางที่ดีเพราะในที่สุดก็จะอยู่ร่วมกันโดยความเข้าใจเห็นใจแล้วก็ให้อาภายัยอดทนรอคอย คนหนึ่งก็วางตัวให้เหมาะสมแก่ความเป็นสามีคนหนึ่งก็วางตัวให้เหมาะสมแก่การเป็นภัญญาที่จริงเป็นการปฏิ บ, บัติธรรมนะฮะคืออภิญญาณใหม่มเป็นบุญยกิยาวัตถุประกรันหนึ่งอย่าลืมว่าการประพฤติลอ่อนน้อมถ่อมตนระบุคนทั้งหลายเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องใหญ่มาก ภาษารีบุตรเนี่ยได้รับการยกย่องในเรื่องเหล่านี้เป็นการอ่อนน้อมต่อคนทั้งหลายทั้งที่เป็นอักกสาวกเวลาพระเจ้าทรงสอนแก่พระหมหากัสสปะตอนที่ท่านบวชอุชิตพระองค์แล้วก็ไปพบที่ตนใส่เนื่องจากท่านแต่งชุดพระไปแล้ว ปรงผมโกนหนวดนุ่ผมผ้ากากเสาวพัดไปแล้วเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยว่านักบวชเนี่ยเพศนักบวช ม, มันมีอยู่ก่อนเทวทูตหนึ่งในสี่ที่พระเจ้าเห็นเจ้าชายทิตาเห็นก็เป็นนักบวชประเภทภิกษุรูปแบบก็คงจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนั่นนะกว่าจะนุ่งผ้ายอา้อมฝาดแล้วก็มีผ้าหม่มเฉียงบา่าสักผืนหนึ่ง อย่างแบบทั้งบวชฮินดูในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ากว่าจีวรจะลงรูปลงรอยเนี่ยมันนานนะตอนที่พระเจ้าเสด็จประทับอยู่ทักกินาชนบุตรในแคว้นมคธเนี่ยเสด็จขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ให้พระนลมองดูถึงคันนาของชาวมคธบอกอนนท์สามารถจะออกแบบจีวรตามโครงสร้างอันนาของชาวมคธได้ไหม จำนวนกระดูกมาได้ก็ออกแบบถวายก็โปรดแต่ว่าเนื่องจากสมัยนั้นบางทีผ้ามันมันได้ไม่มากก็ต้องลงว่ามีขันในขี้คือตั้งแต่ห้าขันห้าขันเจ็ดขันเก้าขันสิบเ็ดขันก็ได้เอาผ้าเล็กๆมาต่อกันเบอร์นี้อย่างพวกวัดต่างๆเนี่ยบางทีก็มีจีวร จีบอลเจ็ดขันจีบลเจ็ดขันเก้าขันในสิบเอ็ดขันยังไม่เคยเห็นก็เรียกว่าใช้ได้ด้วยกันแต่ต้องห้าขันขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องขี้นั้นก็แสดงให้เห็นว่าตอนที่ท่านออกบวชก็คงจะเรียบๆกับแบบนัก บ, บวชปุจจารับสั่งประธานโอวาทที่เหมาะสมแก่ท่านห้าข้อ ดูกรกษสปะเธอพึงเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว้ในภิกษุ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นปันกลางอย่างแรงกล้าร้องเราความทำอันใดก็ให้ตั้งใจฟังธรรมนั้นเงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความแล้วก็พิจารณาข้อความ และมีสติเป็นไปในกายคือเจริญกายยกตาสติเพราะว่าพระมหา ก, กัตปะท่านท่านอายุมากแล้วเราเห็นว่าการแสดงตนอดอน้อมถ่อมตนเนี่ยไม่ได้เจาะจงนะอย่างเวลานี้บางครัง้งบางคราวเนี่ยเราเห็นว่าผู้ใหญ่เวลาพูดน้อยไหวเนี่ยไม่ไหวตอบมันแสดงถึงอาหังการนะมันแสดงให้เห็นถึงมันนะความกระด้างความถือตัว แต่ว่การที่พระไม่ไม่ไหว้ชาวบ้านเนี่ยมันเป็นวินัยคือมีพุทธบัญญัติห้ามไม่ให้ไหว้เขาไหว่ประภ บ, บัตทุกข์มันไม่ใช่กระด้างนะก็จริงจรงก็พยายามที่จะแสดงการยอมรับอยู่อย่างคณะสงฆ์ก็ประกาศว่าคือประกาศมานานแล้วนะฮะเวลาชาวบ้านไหว้เนี่ยก็แสดงยกมือข้างหนึ่งเป็นการยอมรับ ก็สมองให้สีหน้าพ่อนไปเพราะว่าวินัยกำหนดเอาไว้เลยว่าห้ามห้ามไหวอนุปสมบันอย่างสามเณรไหวเนี่ยตาปกติแล้วพระเขาจะไม่รับมือก็ถือว่าเป็นเป็นอนุปสมบันนะเนร เ, เปนอนุปสมบัติอนุปสมบันิไปว่าคนที่ไม่เคยบวชมาทีนี้ข้อต่อไปคืออุทธัจจะ อุทจจะตอนนี้ไม่ได้มีกุกุจจะนะฮะคือคือตอนสังโยชน์เนี่ยไม่มีคำว่ากุกุจจะแต่มีคำว่าอุทจจะเฉยๆเพราะอะไรเพราะโทสะมันดับไปที่นาคามีมรักล้โทสะในที่นี้ท่านใช้คำว่าปฏิฆะอย่างที่เคยกล่าวไว้ที่วันก่อนตอะะ น, นตรงนี้ก็เหลือเฉพาะอุทจจะ อุทจจะตรงนี้คงฟุ้งแบบเรียเๆียไปนะไม่มีอะไรแรงๆอะไรเราไม่มั่วอย่างชาวบ้านทั่วไปหรอกเพราะว่ามันเป็นระดับพระนาคามีแต่ว่าใจก็ยังไม่สงบนิ่งในบางกรณีบางเรื่องซึ่งตามปกติแล้วอุทจจะมันก็เกิดมาจาก ใจไม่ยอมสงบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเขาเรียกว่าเจตสวะบูปสัมมะคือไม่ยอมสงบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเปิดพิธีแก้ไขก็คือต้องทำใจสงบอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งสมับคนทั่วไปเราเห็นชัดเจนนะฮะพอพอพ อ, พอมันขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันก็มีทั้งกุกุจะด้วยนะแต่นี่ท่านพูดระดับระดับที่มันอยู่ภายในจิต ร ะ, ระดับที่อยู่ข้างล่างให้เราสังเกตว่าความฟุ้งของเราแต่ละคราวพอถึงจุดหนึ่งถ้าหยุดฟุ้งไม่อยู่เนี่ยมันจะราะาําคาญสภาพจิตก็เป็นอย่างนั้นแต่การพูดระดับนี้เป็นการพูดอีกระดับหนึ่งเลยไม่มีกุกุจัเป็นอาการฟุ้งซ่านซัดสายของจิตไม่ถึงกับสมบูรณ์เต็มที่ทางการที่จะ สงบระงับอุทธจัตติที่เกิดขึ้นแล้วก็คือระดับทั่วไปเกิเราพูดถึงคนทั่วไปเนี่ยก็หมายความว่าทําใจให้สงบอยู่ ใ, ในเรื่องกลางๆหรือเรื่องที่เป็นกุศลถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่สงบหรอกเพราะในจิตไปจับอยู่ที่กลางๆหรือเป็นกุศลอะไรก็ได้จับอยู่ที่ฝาผนังก็ได้อยู่ที่เปลวเทียนก็ได้อยู่ที่ดอกไม้อะไรก็ได้อยู่ที่แก้วน้าอะไรก็ได้ ตัวนี้กลางๆเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งสติให้จิตมันเกาะมันจับอยู่ที่นั่นแต่ถ้าถึงระดับฌานเนี่ยมันไปละเดวิจารณ์ซึ่งวิจารณ์ก็เป็นองค์ฌานทีมันเป็นผลของจิตสงบแต่องค์ฌานมันผุดขึ้นเพราะถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถึงจุดนั้นมันก็มันก็ละไม่ได้ ปัญหาใหญ่ใจความจึงมาอยู่ในชีวิตปัจจุบันคือทำยังไงว่าระบบการคิดนี่นะการคิดทำไมเราทาไมเราไม่ค่อยคิดเกิดมาติดใจประโยคสองประโยคประโยคที่ถวายพระราชานาาคืนในหลวงหมายความมันยังไง พระอำนาจในหลวงยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์ะไม่มีใครเอาไปไหนเลยอะ่ะแล้วเธอเออกมาพูดได้ยังไงอะ่ะมันไม่ใช่แสดงความเคารพเทิดทูนนะมันแสดงถึงอขคาระวะธรรมหรือแม้แต่เราสู้เพื่อในหลวงเนะี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นลักษณะการคุ้งซ้านอย่างหนึ่งใน่รวงมีอันตรายอะไรแต่เราต้องนึกว่า คนในแผ่นดินเนี่ยมีความจงรักภักดีเคารพโทษทุนแล้วก็มุ่งไปสู่หกสิบครองราชเริ่มดำเนินงานกันแล้วนะฮะไม่มีใครคิดอะไรตีเป็นอันตรายเอ๊ะทำทาไมไปแช่ขำอย่างนี้นั่นคือลักษณะความฟุ้งซ่านแล้วถ้าเราให้อธิบายดูเถอะคือเราจะเจอฟุ้งซ่านเลยแต่ทีนี้พวกนี้ถ้าเราขาดระดบับ ระดับโยในโสบริการคือไม่มีความคิดเป็นระบบมีกฎมีเกณฑ์มีหลักการวิธีการในการคิดเนี่ยบางทีก็ไหลไปเรื่อยๆอ่ะฮนะเพราะสังคมไทยจึงอ่อนแอมากในเรื่องการรับฟังข้อมูลข่าวสารเชื่ออะไรง่ายจังคือไม่รู้จะพูดยังไงบางทีก็ยอมเขานะก็ยอมก็ไปเลยก็ไม่ต้องพูดเสียเวลา ตปก็ท่า น, นั้นเดกตัวการใหญ่จึงอยู่ที่อวิชชาอาวิชชานั้นเป็นรากงาวหญ่ของกิเลสตามปกติแล้วเขาเรียกว่าอวิชชาอัตถวัตถุกาอาวิชชามีวัตถุแปด วันเลยแสดงไว้เป็นสองชุดชุดหนึ่งใ น, งนี่ตรงนข้างกับวิชาแปดเดี๋อาจจะหาโอกาสพูดในโอกาสต่อไปนะฮะชุดหนึ่งก็คือความไม่รู้หรือรู้ไม่จริงรู้ไม่ตลอดคือที่จริงเราก็รู้นะแต่รู้อย่างด้วยการเรียนรู้ด้วยการได้ยินได้ฟังได้เห็นแต่ว่าความรู้ของท่านเนี่ย ควารู้ในความหมายของควาว่าวิชาเนี่ยมันมันไม่ใช่รู้อย่างที่เราเรียนคือพอวิชาเกิดอวิชามันดับพอแสงสว่างเกิดอย่างความมืดมันดับพะทรงสแสดงไว้ชัดเจนตอนพระองค์ทําลายาวิชาเนี่ตั้งสังออวิชาเกิดขึ้นอาวิชาดับไปมันเหมือนอะไรล่ะเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความมืดหายไป อวิชา ค, คืออะไรคือความไม่รู้ในอริยสัจทั้งสี่ประการคำนี้หมายถึงรู้ดยานนะแล้วเห็นว่าตอนพระพุทธเจ้าสัจูที่ทรงแสดงไว้ตอนท้ายของธรรมจักรกวัตนสูตรรับสั่งว่า ถ้ายานสามซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจสี่มีวนสามเมียการสิบสองของเราไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดเราจะไม่ปฏิญาณว่าเป็นอาหันตสัมมาสมุทธะ a ในหมู่เทวดาและมนุษย์ทางหลายเพียงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นความบุญญาณ รูดับแรกซึ่งก็พูดกันน้อยนะฮะยานตรงเนี้ยที่จริงเวลเราพูดเราจะพูดยานสามชุดหนึ่งยานข้อแรกเรียกว่าสัจญานคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในเรียสัตว์แต่เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นด้วยพลังของจิตที่สงบแล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันผุดขึ้นมาภายในใจคือถ้าเราเทียบแล้วกล้ๆกับเราปรุงอาหารเนี่ย มันมีของผสมกันได้สัดส่วนแล้วก็กลายเป็นรสชาติอีกอย่างหนึ่งถามว่ารสของอะไรมันก็บอกไม่ได้แต่ว่ารสร่วมกันทั้งหมดอะมันกลายเป็นรสอีกอย่างหนึ่งต่างหากเขาเรียก ว, วิมุตติรสมันจิตสัมผัสความหลุดพ้นซึ่งไม่เคยสัมผัสมากน แต่ตัวความรู้เนี่ยมันก็รู้ในอริยสัจสี่ 4. รู้ว่าอันนี้คือทุกข์นี่เหตเกิดแหทุกข์นี่ความรับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกข์ก็เขาเรียกว่าสัจจะยานคือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วยามเกิดพุดขึ้นต่อเขาเรียกว่ากิจยาณคือรู้ภารกิจที่จะต้องประพฤติที่จะต้องกระทําให้เหมาะควรแก่กรณีของอริยสัจแต่ละข้อคือรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้ สมุทัยควรละนี่รถคนทําให้แจ้งมักควรเจริญแต่ทีนี้รู้อย่างเนี้ยโดยเชิงปริยัติที่เราเรียนเนี่ยที่จริงเราก็รู้แต่คนละรู้นะเคยใช้คํว่ารู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วคนละรู้กันเรารู้ด้วยการเรียนรู้เขาเรียกยาตะปริญญาคือรู้ด้วยการเรียนรู้อย่างมากเราก็ตีรณะปริญญาคือรู้ด้วยการคิดแต่จองพินิษพิจารณาเห็นตามคลอยตาม แต่เราไม่อยู่ระดับปาราณาปริญญาคือรู้แล้วละกิเลสได้เนี่ยตรงเนี้ยละสักโยศได้เนี่ยมันไม่เกิดอธิบายได้เทศได้อะไรว่าได้หมดแต่ก็จริงเราก็ดับปวิชาไม่ได้ปัญหาใหญ่เพราะมันจึงมีญายาอีกข้อหนึ่งเรียกว่ากัตตาญาณคือรู้ว่าได้ทําแล้วรู้ทุกทุกควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วเราได้กําหนดรู้แล้วเราก็สมมุติเอานะ นี่สมุดไทยสมุดไทยควรละเราได้ละแล้วนี่นิโรดนิโรดคนทําให้แจ้งเราได้ทําให้แจ้งแล้วนี่มรรคมรควรเจริญเราได้เจริญแล้วเพรา ะ, ะตัวญาณมันเกิดผุดขึ้นเมื่ออริยมรเป็นองค์แปดประการเนี่ยมันระนึกเป็นเมื่อเดียวกันเขาเรียกมรรคสัมพังคีก็เป็นอันเดียวกันและตัวมรจริงๆคือตัวสัมมาญาณเนี่ยมันจะเกิดผุดขึ้น เพราะเราเห็นว่าอาริยมรรคแปดข้อเรียกอริยมรรคมีองค์แปดมันเป็นเครื่องประกอบของความเป็นอริยมรรคแต่ตัวอริยมรรคจริงๆเนี่ยคือสัมมาญาณญาณสามเนี่ยนะตลอดถึงญาณสามมีข้อหนึ่งหรือแม้แต่วิชาแปดมันก็คือกันนะทีนี้พอเขาเกิดปั๊บเนี่ยเ้าดับไอ้กิเลสดับผู้เนี่ดับดับปาวิชาเนี่ยวิชาก็ล้มระเนระนาไปหมดนะฮะ คืออย่าลืมว่าทั้งหมดมันมันถอนรากงาวของสัปพกิเลสโดยท่านใช้คว่าถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากได้แล้วดับความอิ่วกระหายในอารมณ์ทั้งหลายได้ทีนี้เมื่อท่านรู้ตรงนี้ มันก็ทําให้ท่านรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทางอาดีตอนาคตและรู้กฎของปฏิจจสมบัติเพื่ออภิชามันก็จึงมี 8. แปดแปดเราเห็นว่ามันจะต่างกันกันกบวิจิกิจษา ท, ทั้งทั้งที่เป็นโมหะโดยกันวิจิกิจษาก็จะเน้นที่พระรัตนตรัยกับไตรจิกขาแล้วก็อดีตอนาคตปัจจุบันทงางกฎปัจจัยาการแต่ตรงนี้ท่านพูดว่าความไม่รู้อริยสัจสี กับไม่รู้อดีตอนาคตทางอดีตอนาคตและในกฎของปัจเจกการกฎปัจเจกการก็คือกฎของอนิจสัตว์ทีนี้ตัวอดีตเนี่ยพอเกิดยานสว่างมันก็รู้พวงนี้เราจะเห็นว่ารู้อดีตด้วยบุเพนวสารติยานรู้อนาคตด้วยอนาคตังสยานรู้ปัจจุบันด้วยปัตตุปนนังสยาน เป็นความรู้ระดับยานทั้งหมดก็ทำให้ดับปริชาได้แต่ว่าในภาคของคนทั่วไปคือทำยังไงอะทำยังไงว่าให้มีหลักเหตุผลในการมองในการคิดในการตัดสินวินิจฉัยสารต่างๆอย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไปอะ่ะ ก็ทำยังไงยหยเขาถูกเขาหลอกต้มเอามาคือวนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะเราติดตามข่าวคราวบางครั้งบางคราวเนี่ยเขาล่อด้วยเงินผลประโยชน์ต่างๆแบบตกเบ็ดะตกเบ็ดนีนที่เอาปลาตกปลานะก็คนมักจะเชื่อง่าย เพราะว่าทำให้อยากได้ทำให้โกรธทำให้มีความต้องการในทางเพศสูงเนี่ยอิชฉามันเพิ่มมามันมืดมาเลยมันเป็นความมืดบอดในเชิงเหตุผลไม่สามารถคิดอย่างมีระบบมีเหตุมีผลได้หรืออย่างเนี้ยยกยกตัอย่างว่าพวกที่ก่อการร้ายอยู่ต่างต่างนะพักได้จะมีเยอะนะที่ถูกมอมเมา ที่ถูกมึนเมาด้วยยาเสพติดบ้างที่ถูกมึนเมาด้วยรัดคลั่งรัดที่อะไรต่างๆบ้างที่ถูกหลอกลวงอะไรต่างๆบ้างรับสารด้านเดียวแล้วก็เธอไม่มีโอกาสได้คิดไม่มีโอกาสได้มองไม่มีโอกาสได้เทียบเคียงแตที่สุดก็ทำอะไรไปแต่แต่เราก็มีน้อยคนน่ะที่จะสำนึก แต่มีบางคนก็สํานึกเขามีความรู้สึกเมื่อก่อนเหมือนเขาอยู่ในที่มืดตํารวจทหารในการรับรู้ของเขานะั่นคือการรับรู้จากคนที่เกลียดชังตํารวจทหารเพราะเป็นอุปสรรคขัดขวางการก่อการร้ายของเขาตํารวจทําหน้าที่นะฮะรานก็ทําหน้าที่แต่ถูกเกลียดชังเพราะมันก็พูดไปอีกเรื่องหนึงเลยคนเร่ยน เด้ววันก่อนเนี่ยฟังระดับอาจารย์นะมาว่าอย่างคือในกรณีเช่นนี้ไม่น่าอมาพูดแกบอกว่าคนที่อยู่แม่น้ําปัตตานีนะเห็นคนศีรษะขาดลอยมาเรื่อยัเกินไปอย่าพูดเกินไปตัวเองก็อยู่ในกรุงเทพไรู้ได้ไงมันไม่ได้มีอะไรที่ทํากันขนาดนั้นนะนะตัดคอคนแล้วก็โยนศพลงแม่น้ำก็เกินเหตุเกินผลไปใครจะไปเชื่อ คือตามปกติแล้วเขาต้องปกปิดนะคือถ้าค่าคนขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ฝังเขาก็มีอะไรทางต่างๆที่ไม่ให้ปรากฏร่องรอยมันจะโยนประเจิดประเจอิอมาอย่างนั้นคือมันไม่มีเหตุผลเลยอเอามาพูดเนี่ยมันาจจะเคยมีในบางกรณีแล้วก็พยายามโยนไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าเราดูนิสัยความรุนแรงเนี่ยเขาอาจจะทะเลาะ ก, กันก็ได้ เกิจะร้นทรัพย์ก็ได้อปัญหาเรื่องอื่นเยอะทำไมมาโยนในเจ้าหน้าที่หมดอ่ะคือมันพูดแล้วมันสร้างความระแวงมันไปเพิ่มความระแวงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคนไม่ได้คิดนะฮะคนไม่ได้คิดแม่น้ำในประเทศไทยไมีเยอะไปเราก็เจอศพจากส่วนใหญ่และส่วนมากก็ถือตกน้ำถามว่ามีการฆ่าไหมก็มี แล้วเป็นกรณีของการทะเลาะการการปนรนสับการแก้แค้นปัญหาชู้สาวปัญหามันเยอะเออทาไมมายโมยนให้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วคนก็มีความโน้มเอียงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทำโดยไม่ได้คิดต่อว่าทําทําไมอะ่ะเออทําทําไมเช่นว่าสมมุติว่าคนเนี้ยเป็นเป็นพวกค่ายาเสพติดแล้วจับแล้วค่าทําไม พอสามารถที่จะเอาแก่เนี่ยสืบต่อไปหาต้นต่อที่ไปที่มาได้แล้วฆ่ามันได้เลยนี่คือคือเราจะเห็นว่าพอเราไม่มีเหตุผลแล้วมันไม่มีเหตุผลไปเรื่อยคือจริงจริงก็ต้องถามทําไมทําไมทําไมทําไมมันต้องถามไปตอบให้ได้แล้วเพื่ออะไรได้ประโยชน่ยังไงเราเห็นว่ามันไม่ได้ประโยชน์แต่ทีนี้คนบางทีเนี่ยมันริษยามันแข่งดีกัน จากข่าวฆ่าตะตอนก็เหมือนกันนะพูดอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจฆ่าคนฆ่าทำไมอ่ะคุณต้องรื้อมาฆ่าทำไมเขาจับเนี่ยเพื่อจะสืบสาวไปหาในกระบวนการข่าวแล้วฆ่าฆ่าทิ้งเนี่ยมันก็ฆ่าทำไมว่าก็ตัดมือตัดเท้าตัวเองอ่ะมันระบบการทํางานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ไปฆ่าคนทิ้งอย่างนั้น แต่ว่าเราประกันทางร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เราก็อาจจะเท่าท ว, วาอะไรต่างๆการขัดแย้งผลประโยชน์กันหรืออาจจะมีส่วนรู้เห็นอะไรต่างๆกันมันมันเป็นรายละเอียดอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยปกติแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านทำยังไงว่าใช้วิ ช, ชาในการวินิจฉัยปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ามีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะคือสิ่งที่เราเรียนรู้สดับกับฝังมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ ทั้งฝังไปเยเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศ ร, รีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นครัน้นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไพรู์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี